อันนี้อาจจะเสียงดังหน่อยนะเพราะว่ามีคนงานต้องทำงานเพราะต้องทำให้เสร็จนี่ยพรุ่งนี้ที่มันจะขุกขับ <c oughs> ก็เลยให้ปกติให้เขาทำครึ่งวันทำช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายให้เขาไปทำที่อื่เพราะเสียงจะได้ไม่ดังแต่วรด็ตรงนี้มันเป็นมันงานต่อเนื่องถ้าไม่ทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะ <c oughs> ไม่สะดวก ก็เลยให้เขาทำต่อทำให้เสร็จวันนี้เลยเดี๋ยวพวกนี้ที่มันก็จะได้มีที่นั่งวันนี้ก็เลยอาจจะมีเสียงดังบ้างก็ไม่เป็นไรก็จะพูดธรรมะแบบไม่ต้องใช้ใช้สมาธิมากพูดเป็นเรื่องนิทานหรือเปล่านี้เรื่องความเป็นมาของวันสองวันสำคัญที่มาถึงนี้ วันนากาหบูชากับวันเข้าพรรษานี่ความจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นต่อกันมันเป็นเหตุการณ์คนละวาระคนละโอกาสแต่พอดีมันมาตรงกับวันที่มันติดกันก็เลยอาจจะคิดว่ามันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันวันนากาหบูชาเป็นวันเทนเดนเดือนแปด คือวันขึ้นสิบห้าข้างเดือนแปดสมัยโบราณเดือนแปดนี้เขาเรียกว่าอาสาฬหะเดือนอาสาฬหะนี้เดือนอาสาฬหะเราก็มาทําบูชากันเราก็เลยเรียกมันนั้นเป็นวันอาสาฬหะบูชาสิ่งที่เราต้องการบูชาก็คือพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพื่อเราจะได้ระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่นานๆจะมาเป็นที่พึ่งให้แก่สัตว์โลกสักครั้งหนึ่งนานๆจะปรากฏขึ้นมาให้สัตว์โลกได้ยึดเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราเลยมีวันสําคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ วันอาสาฬห บ, บูชานี้ก็เรียกว่าเกี่ยวกับวันของพระธรรมเพราะเป็นวันแรกเป็นครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกคือพระพุทธเจ้าทรงตัดสรลูในวันเพ็ญเดือนหกสองเดือนก่อนหน้านี้หลังจากที่ตัดสรลูแล้วก็ตอนต้นก็ไม่มีความอยากที่จะเผยแผ่ คำสอนไม่อยากจะเผยแผ่สิ่งที่ได้ทรงตัดสร่เพราะทรงเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ทวนกระแสของความรู้สึกของพวกเราพวกเราหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขที่กลายเป็นความทุกข์ เวลาที่มันเสื่อมมันจากเราไปทีนี้จะมาสอนให้พวกเราเลิกหาความสุขแบบนี้ก็รู้สึกว่ายากเหมือนกับบอกให้คนที่ติดยาเสพติดให้เลิกติดยาเสพติดเขาก็รู้ว่ามันไม่ดียาเสพติดแต่เมื่อติดแล้วนี่เขาเลิกไม่ได้เพราะเวลาเลิกนี้มันจะทุกข์มากเขาก็เลยยอม ทุกกับการเสพเพราะว่าเขาขาดไม่ได้ขาดแล้วจะตายพระพุทธเจ้าสรงคนพบความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิน่นรสมาเสพมาให้ความสุขแต่หาความสุขจากการทำใจให้สงบหาความสุขจากการทำใจให้เลิก หาความสุขทางลาบยศสรรเสรินทางรูปเสียงกลิ่นรสคือให้ตัดความอยากหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆทัางเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะสอนคนที่ติดกับความสุขของลาบยศสารเสรินของรูปเสียงกลิ่นรสที่จะมาสนใจ หรือที่จะมาปฏิบัติตามได้ตอนต้นก็เลยคิดว่าจะไม่สอนจะเป็นพระประเจกะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีสองแบบมีพระประเจกะกับพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจกะนี่ไม่สอนใครเพราะทรงเห็นว่าสอนไปก็คงไม่มีใครปฏิบัติตามได้ก็เลยไม่สอน ตอนต้นพระพุทธเจ้าก็ทรงคิดอย่างนั้นเหมือนกันคิดว่าไม่สอนดีกว่าสอนแล้วเขาปฏิบัติตามไม่ได้ก็เสียเวลาไปเปล่าๆแต่ต่อมาก็มีเท้ามหาพรหมได้ปรากฏมาหาพระองคอ์ขอให้พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกขอให้ทรงพิจารณาอย่างรอบครอบอีกสักครั้งหนึ่ง เพราะว่าสัตว์โลกนี้ไม่เหมือนกันทุกคนบางคนก็ไม่ไม่สนใจไม่อยากจะศึกษาไม่อยากปฏิบัติแต่ก็มีบางคนที่สนใจอยากศึกษาอยากปฏิบัติก็อสอให้ค่อยพองทรงพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นโทูเจ้าก็นําไปพิจารณาดูก็เห็นคนเป็นสี่ลักษณะ สี่ชนิด เ, เปรียบเที่ยเหมือนบัวสีเหล่าบัวสีเหล่านี้ก็มีบัวที่ที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ําพอได้รับแสงสว่างก็จะบานทันทีบัวชนิดที่สองก็เป็นพวกที่ยังอยู่ปริ่มน้ําอยู่ยังไม่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ํายังต้องรอเวลาอีกสักวันสองวัน ให้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ําแล้วค่อยรับแสงสว่างของดวงอาทิตย์แล้วก็จะบานบัวชนิดที่สามนี่อยู่กลางน้ําต้องใช้เวลาอีกนานอีกหลายวันกว่าที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้แต่ก็สามารถโผล่ได้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยแล้วบัวชนิดที่สี่เป็นพวกที่ยังอยู่กับโคลนตมบัวพวกนี้ มักจะเป็นบัวที่จะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปอตรกนี้จะไม่มีวันที่จ ะ, จะเจริญเติบโตโผล่ขึ้นมาเหนือน้านได้อง ก, ก็ทรงเห็นคนมนุษย์เหล่านี้ก็มีอยู่สี่ประเภทประเภทที่หนึ่งก็เป็นประเภทที่เป็นเบนบัวเหนือน้านเป็นบัวที่พร้อมที่จะรับคําสอน ของพระพุทธเจ้าคือมีฐานรองรับคําสอนคือมีศีลมีสมาธิก็คือพวกนักบวชทั้งหลายพวกนักบวชนี้เขารักษาศีลกันบริสุทธิ์แล้วก็นั่งสมาธิจนจิตดวงเป็นฌานเป็นรูปฌปานเป็นอรูปฌานเหมือนกับตอนที่พระองค์ทรงบําเพ็ญก่อนหน้านี้พระองค์ก็ทรงบําเพ็ญรักษาศีล ทรงนั่นสมาธิจนจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้รูปปชาญได้รูปอรูปปชาญบุคคลเหล่านี้พ่อองค์ทรงเห็นว่าเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะรับปัญญาคือการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าคือรับอริย ส, สัจสีรับว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากต่างๆและการจะดับความทุกข์ต่างๆ การจะยุติการเกิดแก่เจ็บตายต้องยุติที่ความอยากสามประการคือกามาตนหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาความอยากในรูปเสียงกินรสความอยากได้ในลาบยศสรรเสริญความอยากไม่เสียลาบยศสรรเสริญความอยากสามประการนี้ถ้าตัดได้จิตก็จะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไป แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายพระ อ, องค์ก็เลยมุ่งไปสอนบุคคลพวกนี้ก่อนบัวก็คือพระปัญจวคัคคีผู้ที่คอยปฏิบัติพร้อมๆกับพระ อ, องค์และก็ติดตามเป็นลูกศิษย์แต่ตอนหลังมาแยากทางกันพระทรงเห็นพระพุทธเจ้าทรง ไม่ทรมานตนเองต่อไปด้วยการอดอาหารก็เลยคิดว่าพระพุทธเจ้านี้ยอมแพ้สู้กิเลสไม่ได้สู้แต่ก็ทรงเห็นว่าการอดข้าวเฉยๆไม่ได้ทําให้กิเลสมันตายอดมาสี่สเก้าวันความอยากต่างๆก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมก็เลยทรงเลิอกอดเพราะถ้าอดไปก็ตายก็เลยต้องกลับมารับประทานอาหารแล้วก็มา ภาวนาแทนมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาเพื่อหยุดความอยากก็ทร่งค้นพบไตรลักษณ์อนิจจ์ทุกขังอนัตตาที่ทําให้พระองค์สามารถหยุดความอยากต่างๆได้ลดพ้นจากความคิดได้พระองค์ก็เลยมุ่งไปสอนพวกนี้ก่อนเพราะพวกนี้เขามีศีลมีสมาธิแล้วพอแสดงทางปัญญาให้เขาฟังแสดงอรยิยสัจสี แสดงตายรักหนึ่งในผู้ฟังนี้ก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาัมนรูุธรรมขั้นแรกบรรูุเป็นพระโสดาบันเห็นอ น, นิจจังเห็นว่าร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าอยากอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์ถ้ายอมรับว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะไม่ทุกข์ อัญญาณโกณทัญญาก็เลยได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่คือตัวอย่างของบัวสีเหล่าบัวเหล่าแรกบัวเหล่าแรกก็เป็นพวกที่เป็นนักบวชถือศีล น, นั่งสมาธิจิตรวมจิตสงบกลุ่มที่สองบัวเหล่าที่สองบัวปิ่นน้าก็คือพวกที่เป็นนักบวชรักษาศีลได้แต่ยัง นั่งสมาธิไม่ได้กําลังหัดนั่งสมาธิอยู่จิตยังไม่รวมยังไม่มีสมาธิตรงนี้ถ้าเขาฝึกไปเรื่อยฝึกเจริญสติไปเรื่อยจนจิตเขารวมเป็นสมาธิได้เขาก็จะสามารถน้อมเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาตัดความอยากต่างๆมาดับความทุกข์ต่างๆภายในใจของเขาได้ เขาก็จะหลุดพ้นได้นี่เป็นเหลบัวเหล่าที่สองเป็นพวกที่เป็นนักบวชแต่ยังไม่ได้สมาธิเพิ่งบวชใหม่เริ่บบวชแล้วกำลังหัดนั่งสมาธิกันอยู่ถ้าใช้เวลาฝึกสติไปเรื่อยๆ<ม>เดี๋ยวไม่นานก็สามารถทำใจให้สงบรวมเป็นสมาธิได้นี่ก็มากลุ่มที่สามกลุ่มที่สามบัวกลุ่มที่สา ม, บ, ม, สามบัวกลางน้า ก็เป็นพวกที่ยังไม่บวชก็คือคาะาวาดญาติโยแต่ก็มีศรัทธาความเชื่อในการทำบุญทำทานในการรักษาศีลในการภาวนาก็มีการทำบุญใส่บาตรบริจาคเงินทองช่วยเหลือผู้อื่นรักษาศีลห้าเป็นปกติวันพระวันหยุดทำงานก็รักษาศีลแป แล้วก็ฝึกนั่งสมาธิไปเป็นการทำแบบมือสมัครเล่นไปก่อนอาจนั่งสมาธิไปก่อนอทำอาทิตย์ละครั้งนี้ก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อาจจะได้บ้างเล็กๆน้อยๆพอเป็นหนังตัวอย่างให้เห็นความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าทำมากๆทำบ่อยๆเข้า ได้ผลมากขึ้นก็จะเกิดศรัทธาที่อยากจะบวชต่อไปนี่คืบัวเหล่าที่สามจากคารวะที่มีจิตศรัทธาในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอได้ปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะมีกําลังใจที่อยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นก็พอถึงเวลา อายุก็อาจจะมากแล้วผ่านทางโลกมามากแล้วเห็นแล้วว่าความสุขทางโลกมันเป็นความสุขปลอมเพราะเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปสู้มาหาความสุขจริงดีกว่ามาหาความสุขจริงจากการปฏิบัติทำดีกว่าก็เลยตัดสินใจออกบวชกันพอออกบวชแล้วก็ได้ตั้งใจปฏิบัติรักษาศีลในบริสุท นั่งสมาธิพอจิตรวมก็เอาปัญญาที่พระเจ้าสอนมาพิจารณาพิจารณาตายรั์พิจารณาอริยสัจสก็สามารถบรรลุบุตร้ลได้นี่คือบุคคลสามกลุ่มที่พทธเจ้าทรงเห็นว่ายัางมีความหวังอยู่แต่เป็นเป็นปริมาณที่น้อยถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเขา ว, วัว วัวตัวหนึ่งมีเขากี่อันส่วนพวกที่เป็นบัวเหล่าที่สี่นี่เป็นพวกขนวัวมีเยอะมีมากพวกที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปพวกที่ไม่รักษาศีลพวกที่ไม่ฝึกจิตไม่นั่งสมาธิทำใจให้สงบพวกที่ไม่สนใจที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยตัวนี้เรียกว่าเป็นบัวที่อยู่กับคนต้มบัวที่ไม่มีวันที่จะเจริญงอกงามได้ พระองค์ก็เลยตัดสินพระทัยว่าจะไปโปรดบุคคลที่สามกลุ่มแรกที่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ส่วนพวกที่สีน่นี้ท่านก็ไม่สนใจท่านก็อ่อยให้เป็นไปตามยาถากรรมของเขาเพราะสอนไปเขาก็ไม่เชื่อเพราะสิ่งที่สอนมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาชอบ ตรงนี้เขาชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางคืนชอบดื่มสุรายาเมาไปเปิดบ่อนกันเปิดร่องเปิดบาร์กันแล้วก็ไม่รักษาศีลกันไม่ทำบุญให้ทานกันตรงนี้สอนไปเขาก็ไม่ทำทานนี่คือเรื่องของการประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ตอนต้นต้ อ, องทรงเหมาว่าเป็นบัวใต้เป็นบัวที่อยู่กับโคลนตมไปหมดเห็นว่าทุกคนสอนไปก็ไม่มีใครจะสามารถปฏิบัติตามได้ก็เลยไม่สอนดีกว่าแต่พอหลังจากได้มาวิเคราะห์แล้วก็เห็นว่ายังมีพวกที่สอนได้อยู่ก็เลยพอดีเป็นวันเพ็ญเดือนแปเนี่ยวันพรุ่งนี้วันสิบห้าค่ำต้นสิบห้าค่ำเดือนแปดก็เลยมุ่งไปหาพระปัญจวัคคีย์ แล้วก็ไปแสดงทำให้เขาฟังตอนต้นพระประจัจจาวกีเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าไม่รับถือเป็นอาจารย์แล้วจะต้อนรับดีแล้วไม่รับดีแต่พอพระพุทธเจ้าเดินเข้าไปใกล้บารมีรัศมีของพระองค์ที่ได้ทรงตัดสัตว์นี้ทำให้เขาต้องต้อนรับต้องเขา้าโลกกราบไหว้ แล้วพอได้แสดงความเคารพพระพุทธเจ้าก็เลยทรงโตัวแสดงธรรมให้เขาฟังแสดงอริยสัจสี่แสดงตายรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีพระพุทธเจ้าเพิ่งทรงค้นพบว่าทุกใจของพวกสัตว์โลกนี้เกิดจากความอยากตัณหาทั้งสามและการจะดับความทุกข์ใจนี้ต้องดับด้วยการมีเห็นความจริง ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขราบยศสารเสา ร, รูปเสียงกลิ่นนนเป็นทุกข์เป็นสุขปลอมเป็นสุขตอนที่เราได้มาใหม่ๆแต่พอมันเปลี่ยนไปมันหายไปความสุขนั้นก็หายไปแล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่พอทรงสแสดงให้ฟังเขาก็เข้าใจกันมันรู้เป็นพ้าอาหารหันกัน ในระยะเวลาอันใกล้แสดงทำสองสามครั้งด้วยกันจนเขาเข้าใจก็ได้มีพระอาหารปรากฏขึ้นมาห้ารูปพร้อมๆกันในวันอาสาห บ, บูชานี้มีรูปหนึ่งได้บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกคือพระอัญญาณโกนทัญยะทําให้วันอาสาห บ, บูชานี้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นครบองค์วันวิสาขะนี้มีแต่พระพุทธ ปรากฏขึ้นองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าพระธรรมยังไม่ปรากฏให้แก่โลกเห็นแนละพระอริยสงฆ์ยังไม่ปรากฏแต่พอวันเพ็ญเดือน8ดตอนที่ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาให้แก่พระปัญจวัคคีหนึ่งในพระปัญจวัคคีก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลขั้นแรกมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาอะไรเกิดขึ้นมาอะไรสิ่งนั้นก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเช่นร่างกายเกิดมาแล้วก็ต้องดับถ้าไปอยากให้ไม่ดับทุกข์ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องปล่อยให้มันดับไปตามยอมรับความจริงไม่ฝืนความจริงอันนี้คือทำที่พระอัญญาณโกนทัณย์ได้ได้บรรลุถึงได้เป็นพระโสดาบัน ถ้าตายไปยังไม่บรรลุเป็นพาาระอรหันต์ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินเจ็ดชาติละฮะแต่ไม่ไปเกิดในอบายอีกต่อไปถึงแม้ว่าจะเคยทำบาปมามากน้อยเพียงไรถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายอีกต่อไปมาใช้กรรมในโลกของมนุษย์แทนแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ตามลำดับต่อไปไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก วันนั้นก็เลยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์เป็นวันปรากฏของพระธรรมคำสอนครั้งแรกพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจากกัปปวัตตนสูตทรงแสดงเรื่องอริยสัจ ส, สีม่มรรคแปดตายลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็คือความเป็นมาของวันวิษณวันอาสสระปูชาที่พวกเรา มาบูชากันเพื่อให้เราได้ล้ำลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญและเป็นคติเตือนใจสอนใจว่าพระพุทธศาสนานี้มีประโยชน์กับเราอย่างไรเพื่อเราจะได้ตักตวงประโยชน์ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถจะให้ประโยชน์กับเราได้เหมือนกับพระพุทธศาสนานไม่มีอะไรใ น, นโลกนี้จะที่จะพาให้เราหลุดพ้นออกจาก วัฏฏะแห่งการเวียนว่าตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาพาพวกเราไปพวกเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดแก่เจิดตายอยู่เรื่อยๆเวลาตายไปก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนถ้าเป็นผลบาปก็ต้องไปเกิดนับายเช่นไปเกิดเป็นเนรฉานเป็นเปรตไปตกนรกถ้าเป็นบุญก็ไปรับไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่างๆก่อน แล้วพอบุญหรือบาปที่ได้ทำไว้หมดกําลังก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่เพราะยังมีความอยากหาความสุขจากราบยศสารเสรนจากลูกเสียงกลิ่นนดอยู่มีใครสอนพวกเราไหมว่ามาหาราบยศสารเสญกันมาหาลูกเสียงกลิ่นนสดกันไม่มีใครสอนมีแต่ต้องคอยห้ามพ่อแม่ต้องคอยห้าม ก็กลัวว่าจะไปหาในทางที่ไม่ถูกกลัวจะไปทำบาป<ม>แต่ความอยากหาความสุขเหล่านี้มันมีติดมากับใจของเราทุกคนมันเป็นเหตุที่ทำให้พวกเรามาเกิดกัน<ม>ยังไม่ต้องสอนกันว่าลูกไปหาลาบยศสารเสริมไปหาลูกเสียงกลิ่นรสเนะี่ยมีแต่ต้องสอนว่าลูกไปบวชกันเถอะลูกอย่าไปหาลาบยศสารเสริญเลย หาลาบสรรเสริญแล้วมันทุกข์มันจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไปบวช ด, ดีกว่าอแต่ไม่มีใครเชื่อใช่ไหมทุกคนก็อยากจะหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขกันแล้วพอเสียลาบยศสรรเสริญเสียลูกเสียงกิริย์ลดไปก็ร้องหย่ร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันแต่นีขคือเรื่องของวันอาสาหา บ, บูชาวันเพ็ญเดือนแป วันขึ้นเสภาข้ามเดือน8เป็นวันที่เราจะได้มาลําลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเราจะได้ได้นําเอาไปเอาคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาศึกษามาปฏิบัติกันเพราะถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเราก็จะคิดว่าความสุขของเราอยู่ที่ลาบยศสลาเส ร, ริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นนนแล้วเราก็ต้องมา เสี อ, อกเสียใจในภายหลังเวลาที่เราไม่สามารถหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดได้ต่อไปเวลาเราแก่เราจะหาได้ไเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะหาได้ไหมเวลาตายจะหาได้ไหมนะเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่มีใครอยากจะเป็นกันแต่ก็หนีไม่พ้นไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตาย เพราะรู้ว่าจะไม่สามารถหาราบยศสารเสริญหารูปเสียงเกี่ยงนดได้ก็เลยทุกกันเพราะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเรามาปฏิบัติมาหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งมาหาความสุขจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิจากการตัดความอยากต่างๆถ้าเราพบกับความสุขแบบนี้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกาย ว่ความสุขแบบนี้เราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้ศีลตอนนี้เรามีศีลแล้วเนี่ยนั่งเฉยๆนี่ก็มีศีลแล้วตอนนี้ไม่ได้ค่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดตัวเอีไม่ได้พูดปดไม่ได้ดื่มสุรายา ม, มาเรียกว่ามีศีลแล้วไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปดูหนังฟังเพลงไม่ได้ร่วมหลับนอนกับแฟนเนี่ยตอนนี้เรามีศีลครบกันแล้ว สมาธิถ้าใจเรานิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งเราก็มีสมาธิถ้าเรามีสมาธิเราก็จะสามารถเอาปัญญามาหยุดความอยากได้เพราะปัญญาจะสอนเราว่าอย่าทําตามความอยากเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เทีย่ยวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเวลาหมดไปความสุขที่ได้จากมันก็หมดไปพอความสุขหมดไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ถ้าไม่อยากจะเจอความทุก ก็อยากไปหาความสุขแบบนี้ให้กลับมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบหยุดความอยากพอใจไม่มีความอยากหยุดความอยากได้ใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีลูกเสียงกิ่นลสต่างๆ <c oughs> นี่คือทำที่พวกเราได้มาล้อมน้ำนึกได้มาพิ จ, จารณาไม่ได้มาฟังกัน ต่ อ, อไปเราก็ต้องลองเอาไปปฏิบัติดูวันหยุดแทนที่จะไปเที่ยวกันลองไปอยู่วัดกันหรืออยู่บ้านก็ได้ถ้าบ้านสงบไม่มีใครมารบกวนอยู่คนเดียวก็ลองถือศีลที่บ้านดูก็ได้ถือศีลแปดนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมพิจารณาใจรักอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาอยู่เรื่อ ย, อยแล้วก็จะเห็นทุก เห็นว่าทุกนี้มีอยู่ในทุกสิงทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นเงินทองที่เรามีอยู่นี้มันเป็นทุกข์เพราะว่าเวลามันหมดมันก็ทำให้เราทุกข์เวลาไม่พอใช้มันก็ทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่ต้องใช้เงินทองมันก็จะไม่ทำให้เราทุกข์วิธีที่ไม่ใช้เงินทองก็ต้องอยู่บ้านนั่งสมาธิถ้าอยู่บ้านนั่งสมาธิก็ไม่ต้องใช้เงินทอง แต่ถ้าออกนอกบ้านไปเทีย่ยวก็ต้องใช้เงินทองถ้าเทีย่ยวแล้วก็ติดต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆเมื่อเที่ยวอยู่เรื่อยสักวันหนึ่งเงินก็ต้องหมดพอหมดก็จะทุกข์แต่ถ้าเราอยู่บ้านนั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบได้เราก็ไม่ต้องเทีย่ยวเมื่อไม่ต้องเทีย่ยวเราก็ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องอาศัยเงินทองมีแล้วไม่มีเราก็ไม่ทุกข์ นี่คือวิธีแก้วความทุกข์ต่างๆที่เรามีอยู่กันตอนนี้ตอนนี้เราทุกข์ ก, ก, กับลาบยกสรรเสริญทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเราติดมันเราต้องมีพอไม่มีแล้วเรารู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรามีสมาธิมีความสงบเรามีความสุขในใจเราก็ไม่ต้องมีมันไม่มีลาบก็ไม่เดือดร้อนไม่มียศก็ไม่เดือดร้อนไม่มีสรรเสริญก็ไม่เดือดร้อน ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่เดือดร้อนอยังขอให้เรามาหาความสุขแบบใหม่กันดีกว่าความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ตลอดเวลาถึงแม้ไม่มีร่างกายเราก็ยังสร้างความสุขนี้ได้เพราะความสุขนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเวลานั่งสมาธินี่เราไม่ได้ใช้ร่างกายเลยเราให้นัง่งค่อยร่างกายอยู่เฉยๆเราใช้จิตเราใช้สติ ควบคุมความคิดของเราหยุดความคิดของเราพอหยุดความคิดได้จิตก็จะสงบพอสงบแล้วก็จะมีความสุขและเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสสีพอเราได้ความสุขจากความสงบแล้วเราก็ตัดความสุขทางลาบยศสารเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสได้ความสุขทางร่างกายได้ ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูจมูกปิ้กายหาความสุขร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยพระอัญญาณโคนธัญญะพอรู้ว่าร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะท่านมีความสุขจากการนั่งสมาธิได้ท่านก็เลยไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ก่อนหน้านั้นไม่รู้ ก็ยังไม่อยากให้ร่างกายแกกไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายเพราะคิดว่าถ้าตายแล้วตนเองจะเดือดร้อนแต่ความจริงไม่เดือดร้อนพอมารู้ว่าไม่เดือดร้อนก็เลยปล่อยได้เพราใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้เป็นใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจทุกข์เพราะใจไปพึ่งร่างกายแต่พอรู้ว่าไม่ต้องพึ่งร่างกายใจพึ่งตนเองได้ ใจหาความสุขจากความสงบได้ก็เลยไม่ต้องเพิ่งร่างกายหาความสุขต่อไปก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ใน ร, ระดับแรกของพระโสดาบันถ้าปฏิบัติไปก็จะหยุดความอยากต่างๆที่เหลืออยู่ในใจไปได้ตามลาดับแล้วก็จะหมดไปในที่สุดพอหมดความอยากกับสิ่งต่างๆแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดอีดต่อไป อากพ่อโสนาบันก็ไปตัดความอยากที่จะมีความสุขกับคนนั่นคนนี้ความอยากจะมีแฟนมีสามีมีภรรยาพอเห็นรูปของแฟนแล้วรักชอบสวยงามหน้าหน้าเอามาเป็นสมบัติของตนก็ต้องพิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายพอเห็นร่างกายเห็นส่วนอื่นเห็นภายในของร่างกายเห็นส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนัง เห็นโครงกระดูกเห็นม้ามเห็นตับเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นลำไส้เอเห็นสมองเห็นน้ําเลือดน้ำเหลืองอะไรต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายพอเห็นอาการเหล่านี้ก็จะหายหลงหายรักแทนที่จะรักกับกลัวใช่ไหมเวลาเราอยู่ในที่มืดถ้าเห็นโครงกระดูกโผล่มานี่เราจะกลัวไหยแต่เราอยู่กับมันมาตลอดตั้งแต่เกิดเราไม่กลัวมันเพราะเราไม่เคยเห็นมันใช่ไหม ก็ เ, เห็นโครงกระดูกของเราบ้างไหมเรามีโครงกระดูกก็เปล่ามีแต่ไม่เห็นแั้วก็ไม่กลัวแต่ถ้าไปเห็นโครงกระดูกที่อื่นกลัวอ่แต่โครงกระดูกที่อยู่กับเราไม่กลัวแล้วม่นต่างกันตรงไหนใช่ไหมอ่าเนี่ยถ้าเราฝึกขัดดูโครงกระดูกไปเรื่อยๆในตัวเราในตัวคนอื่นต่อไปเราก็หายหลงเราจะไม่เห็นว่าร่างกายของใครสวยงามเลยเย มันมีอาการสามสิบสองเหมือนกันหมดทุกคนมีโครงกระดูกมีตับมีไตมีปอดมีลำไส้มีน้ำอะไรต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลือ ง, อง mm hmm. พอเห็นอย่างนี้แล้วก็ความหลงรักใครก็หายไปหมดเลย mm hmm. ก็จะบรรลุทำขั้นที่สามได้เป็นพระอนาคามีได้ mm hmm. ส่วนขั้นที่สี่ก็ต้องมามาละความ หลงที่ยังยึดติดกับความสุขในอารมณ์ที่มีอยู่ในใจในใจนี้ก็มีอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ใจเราก็ไปติดอยู่กับอารมณ์สุขกันแต่พออารมณ์สุขหายไปก็ทุกข์กันขึ้นมาก็เลยต้องสอนว่าอย่าไปติดกับอารมณ์สุขอย่าไปพึ่งมันเราไม่ต้องพึ่งอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตเราอยู่กับความว่างดีกว่าความว่างนี้ไม่มีวันเปลี่ยนอารมณ์นี้มันเปลี่ยน เดี๋ยวสุกแล้วเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวทุกแล้วก็สุกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็อย่าไปสนใจมันจะมาก็ปล่อยมันมามันจะไปก็ปล่อยมันไปแต่อย่าไปยินดียินร้ายกับมันแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าปล่อยอารมณ์ภายในได้ปล่อยทําอารมณ์ได้ใจก็หลุดพ้นจากความอยากทั้งปวงความทุกข์ต่างๆก็จะไม่มีต่อไป ใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่ถ้าเราต้องการที่จะบุดพ้นจากความทุกข์เราต้องมาหัดปฏิบัติกันหรักษาศีลกันก่อนเราศีลจะช่วยให้เรามีเวลามาปฏิบัติกันได้ไม่รักษาศีลแปดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวได้เดี๋ยวก็ไปดื่มไปไปดูหนังฟังเพลงไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้ ก็จะไม่มีเวลามาฝึกนั่งสมาธิกันถ้าถือศีลแต่ก็จะไปไม่ได้ก็จะมีเวลามานั่งสมาธิกันมาทำใจให้สงบกันมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญากันถ้าเรามีศีลแล้วเราก็สามารถปฏิบัติสมาธิปัญญาได้พอปฏิบัติไปเดี๋ยวก็ได้หลุดพ้นพระพุทธเจ้ารับรองแล้วว่าถ้าเราได้ปฏิบัติจริงๆนี่บางคนเจ็ดวันก็ หลุดพ้นได้บางคนก็เจ็ดเดือนถ้าอย่างมากก็เจ็ดปีไม่เกินเจ็ดปีถ้าตั้งใจปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มที่รับรองว่าจะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แม้ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่ว่าจะเป็นฆร า, าวาสหรือเป็นนักบวตไม่สำคัญเป็นบรรลุได้ทั้งนั้นถ้ามีศีลสมาธิปัญญาการบรรลุไม่ได้อยู่ที่การเป็นนักบุตร นักบวชมีย่อยะไปไม่เห็นบรรลุกันเลยเพราะอะไรเพราะมีไม่ครบมีศีลแต่ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแต่นักบวชคนไหนที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็หลุดพ้นได้คารวะที่มีศีลมีสมาธิปัญญาก็หลุดพ้นได้มีมาชีบางคนก็หลุดพ้นได้ท่านมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเพราะฉะนั้น เราอย่ามาอ้างว่าเราเป็นคารวาสเราเป็นผู้หญิงเราบวชไม่ได้เราปฏิบัติไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างเราสามารถปฏิบัติได้อยู่บ้านก็ปฏิบัติได้อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ขอให้ทีมปฏิบัติมันสงบก็แล้วกันไม่มีอะไรมารบกวนมาหลอกมาล อ, าลอใจไม่มีลูกเสียงกลิ่นรสมาคอยหลอกมาคอยล่อให้มีเวลาอยู่กับการปฏิบัติ ศีลสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับรับรองได้ว่าไม่เกินเจ็ดปีแน่นอนถ้าปฏิบัติจริงๆจังๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับไม่ไปสนใจกับเรื่องต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สนใจแต่เรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเพียงอย่างเดียวรับรองได้ว่าจะหลุดพ้นกันได้ทุกคนนี่เรื่องของ วันอาสาฬ บ, บูชาที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ที่พวกเราควรจะเอามาเป็นคติสอนใจเตือนใจว่าพวกเรานี้โชคดีได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เราจะไม่มีวันรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้เลยเราจะไม่รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดของเรานี้เกิดจากอะไรและจะหยุดมันได้อย่างไรหรือบางทีไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่าเรากาลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ เราจะคิดว่าเราเกิดมานะพอตายไปแล้วเราก็จบเพราะเราคิดว่าเราเป็นร่างกายกันถ้าเราคิดว่าเราเป็นร่างกายร่างกายมันก็จบแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเป็นจิตเป็นดวงวิญญาณที่มาเกาะร่างกายนี้อยู่อาศัยร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหาความสุขต่างๆอยู่เท่านั้นเองพอร่างกายนี้ตายไปเรายังมีความอยากจะมีความสุขจากร่างกายอยู่ เราก็ไปเกาะร่างกายอันใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เท่านั้นเองแต่เกิดแล้วมันทุกข์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องดิ้นรนกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องทุกข์กับความผิดหวังเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจหวังก็ทุกข์ต้องทุกข์กับการสูญเสียเวลาสูญเสียพัดภาคจากของที่เรารักจากบุคคลที่เรารักก็ทุกข์การเกิดนี้มันไม่ดีหรอก เพราะว่าเกิดมาแล้วมันจะต้องเจอความทุกข์เหล่านี้กันทุกคนสู้ย่ามาเกิดดีกว่าถ้าไม่เกิดมาเกิดก็ต้องต้องหาความสุขในใจให้พบถ้าเรามีความสุขในใจแล้วเราก็ไม่ต้องขึ้นความสุขทางร่างกายเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ในการจะมีความสุขทางใจได้ความสุขในใจได้ก็ต้องเกิดจากการศึกษา ก, การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้ ขอให้ท่านลองนําออกไปพิจารณาและลองปฏิบัติ ด, ดูแล้วลองได้ว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนผู้ที่น้อมนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติอย่างจริงจังนี้จะได้รับผลกันทุกคนได้กลายเป็นผ้าอรหันตสาวกกันทุกคนจึงขอให้เรามีความมั่นใจต่อพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นของจริง ไม่ใช่เป็นของที่สมมุติกันขึ้นมาเพื่อหลอกให้เราทำความดีโดยที่เราไม่มีไม่ได้รับผลอะไรจากการทำความดีเหล่านี้แต่อาจจะได้รับผลจากการไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปนี่ก็คือเรื่องวันนักสาวะ บ, บูชาที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ ก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุดและความพ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวาริวาาปุราปาริปุเรนติสาคลัง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 สัพพโรโคเวนัสตุมาเตภวัตะวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิศนิจาวุธาปจายโนจตารโหธรมมวะธานติอายุวันโอสุขังภาลั มีหนังสือซีดีแจกน้องการก็หยิบเอามีประวัติของปู่ม่าน อ, อ่าเป็นเป็นเล็กเนี่ยอ่าไม่ไม่อ่ประขอ <c oughs> งปู่ม่านเปหนังสือหน้าอ่านเป็นเหมือนอ่านนิทานอ่านนิยาย <c oughs> มีเรื่องเล่าต่างๆประวัติของท่าน <c oughs> อ่าแล้วเกิดศรัทธา เชื่อในบุญเชื่อบาปเชื่อในการเรียนว่ายตายเกิดอันนี้ก็มาเรื่องวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาเป็นวันต่อจากวันอาสา บ, บูชาเดี๋ยวต้องขยับไปหน่อยนะเพราะบางกล้องนะแต่เหตุการณ์ไม่ได้เกิดวันพร้อมกันนะการเข้าพรรษานี้ตอนต้นยังไม่มีตอนที่พระเจ้าประกาศสอนพระธรรมขั้งแรกใน ยังไม่มีการกำหนดให้อยู่จำมรรษากั น, นพระสงฆ์ท่านก็พอบวชแล้วท่านก็เดินทางไปที่ต่างๆหาที่สงบเพื่อจะได้ปฏิบัติเปลี่ยนที่ปีกวิเวกไปเรื่อยๆที๋นี้พอมีพระมาบวชกันมากขึ้นมากขึ้นจานวนพระที่เดินทางไปไหนมาไหนก็มากขึ้นสมัยก่อนก็เดินด้วยเท้าไม่มีรถไม่มีถนน ก็มักจะเดินลัดทุ่งกันนัดทุ่งนาพอดีช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงฤดูฝนชาวนาปลูกไร่ไถาไร่ถ่ายนาปลูกข้าวปลูกพืชต่างๆอีนี้พระก็ยังเดินทางไปไหนมาไหนอยู่ก็เดินทางสะดวกก็ด้วยการเดินลัดทุ่งก็เลยเดินไปเหยียบข้าวเหยียบผักเหยียบอะไรที่เขาปลูกไว้ เกิความเสียหายให้แก่ชาวนาชาวไร่ชาวนาชาวไร่ก็เลยมากราบทูลพระพุทธเจ้าก็ว่าเขาเดือดร้อนจากการไปไหนมาไหนของพระสงฆ์องค์เจ้าแะต่นกเขาก็ยังอยู่จำมรรษาหน้าฝนมันไม่ไปไหนกันเพราะมันไม่สะดวกแล้วทําไมนักบวชทําไมไม่อยู่กับที่บ้างพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นความเดือดร้อน ก็เลยสั่งให้ต่อไปนี้ให้พระสงฆ์พอถึงวันเป็นวันแรมหนึ่งข้ามเดือนแปดให้หยุดอยู่กับที่ตลอดระยะเวลาสามเดือนไม่ให้จาริกไม่ให้ไปไปที่ต่างๆให้อยู่กับที่เพราอจะได้ไม่ไปสร้างความเสียหายให้แก่ชาวนาชาวไร่แต่ถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉิน าจำเป็นจะต้องไปก็อนุญาตให้ไปได้ไม่เกินเจ็ดคืนไปแล้วก็ต้องกลับมาถ้าไม่มีเหตุก็ไม่ให้ไปเหตุก็คือเช่นสาราลั่ยหรือกุฏิทำรุ่ดเกิดความเสียหายต้องไปหาอุปกรณ์ไปหาของมาซ่อมอย่างนี้ก็ไปได้หรือถ้าญาติโยมทาบุญจะนิมนต์ให้ไปก็ ไปได้ญาติโยมอยู่ต่างจังหวัดทางบ้านอาจจะทำบุญอะไรก็ในมุมไปก็ไปได้หรือบิดามารดาครูบาอาจารย์ไม่สบายก็ไปเยี่ยมไปดูแลรักษาได้หรือถ้าเพื่อนสาธ ม, มิกคือเพื่อนพระด้วยกันอยู่ก็ต่างที่กันได้ขาวว่าอยากจะเสร็จ ก็ถ้าไปลังนับให้เขาไม่สึกได้ก็ไปได้นี่คือเหตุที่สมานิย่าตให้ไปจากที่จําพรรษาได้แต่ไปแล้วต้องกลับไปแล้วต้องกลับไปน้องไม่ให้เกิน7คืนกลับมา7คืน7วันนี่คือเรื่องของการจําพรรษาซึ่งตอนต้นไม่มีมามีก็ตอนที่ ตอนที่มีภาพมาบวชเยอะๆแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นกับชาวนาวชาวไร่แล้วพอดีวันเข้าพรรษานี่มันก็เป็นวันหลังวันอาสาหาบูชาพอดีวันอาสาหบูชาเป็นวันขึ้นสิบห้าคเดือนแปดนี่บกตารอยู่พรรษานี่พรรษามันเริ่มด้วยตามฤดูการฤดูฝนนี่มันเริ่มวันแรกของฤดูฝนก็คือวันแรมหนึ่งา่ำเดือนแปดนี่จนถึงวัน แล้หนึ่งค่ำเดือนอเดือนสิบสองวันขึ้นสิบห้า่ำเดือนสิบสองวันที่เราลอยกระทงนั้นเป็นวันสุดท้ายของฤ ด, ดูฝนหน้าฝนแต่ท่านให้อยู่จำพรรษาแค่สามเดือนอแต่ฤ ด, ดูฝนนี่มีอยู่สี่เดือนอเดือนสุดท้ายก็ให้เป็นเดือนทอดกระถิ่นกันให้เป็นเดือนที่อนุญาตให้ญาติโยม ถวายผ้ากรถินกับพระที่อยู่จําพรรษากันในเวลาระยะมีระะยเวลาให้รับผ้ากรถินได้หนึ่งเดือนแลแต่ละวัดนี่รับได้เพียงครั้งเดียวเพราะไม่ต้องการให้วุ่นวายกับเรื่องของการมารับผ้ารับอะไรกันอยากให้พระไปปฏิบัติกันอยากให้พระไปปีกวิเวกอไปนั่งสมาธิไปเจริงปัญญากันะ แต่สมัยนี้ญาติโยมก็เปลี่ยนจากผ้ากถินมาเป็นผ้าป่าเพราะผ้าป่านี้ไม่มีข้อห้ามจะถวายเมื่อไหร่เวลาไหนก็ได้จะถวายกี่ครั้งก็ได้นแต่ถ้าเป็นผ้ากถินนี้ถวายได้เพียงครั้งเดียวปีหนึ่งถวายได้ครั้งเดียวต่อวัดวัดหนึ่งนี้จะรับผ้ากถินได้เพียงครั้งเดียวแล้ววัดที่จะรับกถินได้จะต้องมีพระอย่างน้อยอยู่จำนวนสาห้ารูปขึ้นไป มันจะมีสิทธิ์รับกรถินได้ถ้ามีต่ำกว่านั้นก็รับไม่ได้ถ้ามีต่ำกว่านั้นญาติโยมก็ต้องถอยเป็นผ้าผ้าป่าไปแต่ความจริงผ้าป่ากับผ้ากรถินมันก็เหมือนกันมันก็ น, นักสงนะนั่นแหละถ้าสํานักสงฆ์ถ้ามีพระห้ารูปขึ้นไปอยู่จำนวนศาก็รับกรถินได้อไม่จําเป็นจะต้องเป็นวัดหรือ เ, เป็นสํานักสงฆ์แต่อยู่จำนวนพระว่าอย่างน้อยต้องมีห้ารูปอยู่ครบพรรษา ก, กัน ถ้าเกิดองหนึงไปแหกพรรษาอยู่ได้ขึ้นอยู่ได้เดือนหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นต่อไม่กลับมานี้ก็ขาดละ ว, วันนั้นก็จะรับผ้ากระถินไม่ได้เพราะว่าผ้าที่จะรับผ้ากรถินได้นี้ต้องอยู่จำพรรษาอถ้าอยู่ไม่ครบพรรษาก็จะไม่มีสิทธิ์รับผ้ากรถิน่นแตผู้ตามความจริงผ้ากระินกับผ้าป่าก็ไม่ต่างกันเพราะเป็นผ้าเหมือนกัน เข้าใจไหมแต่ว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าบอกให้ถวายผ้ากระถินนั้นเป็นประสมัยที่ญาติโยมไม่เคยถวายผ้าให้กับพระมาก่อนพระขาดแคลนขาดผ้ามากสมัยก่อนพระนี่ต้องไปหาผ้าตามป่าช้าผ้าที่ห่อศดทีนี้มีผ้ามาบวชมากขึ้นมากขึ้นผ้าห่อศดก็หมดนในป่าช้านี่ผ้าไปเก็บมาหมดแล้วก็เลยขาดแคลนกันบางทีมีผืนเดียว แล้วพอดีมีกลุ่มหนึ่งเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาเจอฝนกลางทางเข้าเปียกปอนไปทั้งตัวพอไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นผ้าหุ่งผ้าเปียกมาก็สงสารก็เลยทิจนาเห็นว่าญาติโยมไม่ไม่ถวายผ้ามีแต่ใส่บาสถวายอาหารอย่างเดียวก็เลยบอกญาติโยมว่าถ้าอยากจะได้บุญมากๆ า, กากให้ถวายผ้ากระถินเนี่ยควาความที่มาว่าเป็นประโยชน์มากเป็นบุญมาก เพราะตอนนี้ผ้ากาลังขาดแคลนผ้ามากเท่านั้นเองนี่สมัยนี้มันไม่ขาดแคลนแล้วมันเยอะงั้นมันก็ถวายผ้าปา่าหรือผ้ากรถินมันก็มันก็เท่ากันเพราะว่าตอนนี้มันไม่ขาดแคลนอะไรแต่สมัยนี้เขาไม่ได้ดูที่ผ้าแล้วเขาดูที่ปัจจัย ก็ดูที่ปัจจัยที่จะเอาไปบุรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุต่างๆเพราะวัดก็ต้องมีการชํารุดทุดโทรมนี่ก็ต้องมีการกทำซ่อมแซมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมีปัจจัยที่ญาติโยมถวายให้ถ้าญาติโยมถวายแต่ถวายแต่ผ้าก็ไม่ไหวเหมือนกันนิดหน่อยถ้าพระพุทธเจ้าอยู่อาจจะบอกว่าต้องถวายปัใจจัยให้วัดบ้างวัดจะได้เอาไปบุรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุต่างๆ แต่ตอนนี้ญาตยมก็รู้แล้วว่าเรื่องปัจจัยนี้ก็สำคัญแต่ไม่ถวายให้กับองค์ใดองค์หนึ่งถวายให้เป็นของวัดไปให้เป็นของส่วนรวมเพื่อจะได้เอาไปบวรณะซ่อมแสมไปสร้างถาวรวัตถุต่างๆที่จำเป็นกับวัดเพราะพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องมีที่อยู่อาศัยมีที่ทำภารกิจต่างๆมีที่ศึกษามีที่ไหว้พระสวดมนต์มีที่นั่งสมาธิ ก็ต้องมีโบสถ์มีเจมีโบทถ์มีศาลามีกุฏิดังนั้นการจำพรรษามันก็มีการถวายผ้ากฐินตามมาต่อเป็นกิจกรรมต่อเนื่องกันดังในสมัยโบราณเขาเขาจึงนิยมบวชในช่วงเข้าภพรรษากันเพราะจะได้อยู่อย่างต่อเนื่องสามเดือนแล้วหลังจาก บวชแล้วก่อนจะเสร็กรลละผ้ากระถิ่นก่อนเพราะก็เที่ยวว่าได้บุญมากเทนิยานโยมีอะไรอยากจะถามไหมอ๋อไม่ได้แล้วต้องมีห้าผ้าป ร, ร, ระเทศไปแล้วเลยถามเลยออาก็ไม่เป็นไรถวายเป็นผ้าป่าก็ได้ เหมือนกันชื่อมันต่างกันนั่นเอ ง, งแต่บ<อ>ุญได้เท่ากันอะไปแล้วก็ไม่เขาไม่เชื่แล้วก็อยากเข้ามา<อ>แต่ที่ได้ไปด้วยนะบุญมากนะ้อยอยู่ที่เงินที่เราถวายถ้าเราถวายเงินมากเสียเงินมากก็บุญมากแล้วา้า เ, า, เ, า, เาไปแตะกินเาเตียมพรุ่งนี้จงจะผลเื่านหขาไว้ก่อนเราเป็นจะเป็นอะไรเป็นข้าป่าจงเนี่ยเขาจะเลีอยกระถิ่นเปล่อยเขาเรียกไปเถอะแต่เขาสบายใจก็แล้วกัน่อยากผลไปเลยเขาไม่เชื่ อ่ก็มันก็เป็นบุญเหมือนกันอ่ะเป็นบุญเหมือนกันอ่าผ้าป่าท่านนั้นมันก็มันก็เป็นผ้าเหมือนกันเงินที่ถวายก็เป็นเงินเหมือนกันบุญที่ได้ก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าประโยชน์เดี๋ยวนี้มันมันมันมันไม่ขาดแคลนแล้วเอผ้ามันมีเยอะอยู่แล้วจะถวายไม่ถวายผ้าก็ไม่เดือดร้อนแล้วออมันก็เลยเดี๋นี้มันเยอะเกินไปซะล้วเนี่ย อ, องเดียวนี่บางทีรับเป็นร้อยร้อยร้อยสำรับเนี่ยก็ต้องขนไปทําบุญที่อื่นต่อขอให้ทําบุญรักษาศีลดีกว่าอทําบุญที่เกิดจากการรักษาศีนทำบุญที่เกิด จ, จากการนั่งสมาธิดีกว่าถ้าอยากจะได้บุญมากๆเนี่ยบุญรักษาศีนได้มากกว่า บ, บุญที่ได้จากการถวายผ้ากรถินถวายผ้ากรถิ่นถ้ายังทําบาปอยู่ก็ยังไม่พ้นอบายล แต่ถ้าไม่ได้ถวายผ้ากระถินแต่รักษาศีลได้นี่ไม่ไม่ต้องไปอบายเออเอ่องั้นถ้าไม่มีเงินถวายผ้ากรถินไม่ได้เป็นเจ้าภาพไม่ไม่ต้องเดือดร้อนรักษาศีลไปเถอะรักษาศีลห้าให้ได้รับรองหน้าตายไปไม่ต้องไปเกิดในอบายต่อให้ถวายกรถินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ไม่รักษาศีลห้าตายไปก็ยังต้องไปอบายอยู่องั้น ถ้าเราไม่มีเงินเาอย่าไปน้อยใจเห็นคนเดินเขาเป็นเจ้าภาพถ้าไปถวายข่าสิงเ ง, เงินเยอะแยะอยากจะถวายแบบเขาบ้างแต่เราไม่มีไม่ต้องไปน้อยใจเรามีห้าบาทสิบาทซื้อข้าวใส่บาตรก็ได้บุญแล้วเรารักษาศีลห้าได้เราก็ไม่ต้องไปอบายแล้วแล้วถ้าภาวนาได้จเจริญปัญญาได้ก็ไปนิพพานได้เลยไม่ต้องกลับมาเวียนไหยตายเกิดนั้น เงินเงนนี้สำหรับคนที่เขามีเท่านั้นเองคนที่ไม่มีก็ไม่ต้องกังวลทำบุญอย่างอื่นแทนได้ดีกว่าบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามีอันนี้สงฆ์มากกว่าบุญที่จะเกิดจากการเสียเงินเสียทองทำเงินด้วยเงินทองก็จะมีนีสงฆ์ถ้ากลับมาเกิดใหม่ก็ยังจะกลับมาร่ามารวยอยู่ กาเงินที่เราทําบุญนี้เป็นเหมือนเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารมันไม่หายไปไหนพอชาติหน้าเรากลับมาเกิดก็จะมีเงินทองรอเราอยู่เช่นกลับมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีเกิดมาเกิดเป็นลูกนายกอย่างเงี้ยกลับมาเกิดเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินอย่างเงี้ยมันก็สบายใช่ไหมก็อาศัยเงินที่เราเคยทําไว้ แต่ก่อนจะกลับมาเป็นมนุษย์อาจจะต้องไปใช้กรรมก่อนก็ได้ถ้าไม่รักษาศีลอาจจะไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นแมวเป็นนกก่อนก็ได้แต่ถ้าเป็นแมวก็เป็นแมวที่สวยพวกที่ทําบุญเยอะๆนี่เวลาไปเป็นแมวเป็นหมานี่จะเป็นแมวสวยหมาสวยคนเห็นแล้วก็อยากจะมาเลี้ยงเป็นลูกบางทีเลี้ยงดีกว่าลูกอีกนี่อันนี้สงจากการทําบุญแต่ไม่รักษาศีล ไหว้กระถินแต่ไม่รักษาสี่งเนี่ยตายไปถ้าไปเกิดเป็นแมวเป็นหมาเป็นปลาก็จะเป็นหมาสวยแมวสวยปลาสวยก็จะมีคนเอาไปเลี้ยงดูไม่อดอยากขาดแคลนแล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะได้เป็นลูกของคนรวยมีเงินทงองรอเราอยู่แต่ถ้าทำบุญด้วยรักษาสี่งด้วยตายไปก็ไปเป็นเทวดาก่อนพอไปเป็นเทวดาแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ มาเกิดเป็นมนุษย์ละล่ลําดวยต่อไปงั้ถ้าจะทําต้งองทําทั้ง2อย่างทําบุญด้วยแล้วก็รักษาศีลด้วยถึงจะดีแต่ถ้าถ้ารักษาศีลอย่างเดียวไม่ได้ทําบุญก็จะกลับมาเป็นมนุษย์เลยตายไปแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะบุญไม่มีส่งไปสวรรค์บาปไม่มีดึงไปอบายก็กลับมาเป็นมนุษย์แต่ก็จะเป็นมนุษย์เท่าเดิม ไม่รวยกว่าเดิมไม่จนกว่าเดิมเพราะไม่มีเงินฝากในธนาคารจะไปเบิกก็ไม่มีอยู่ในบัญชีชื่อไม่มีอยู่ในธนาคารก็เบิกไม่ได้แต่นี่ก็ไม่ได้มีไม่ได้ทํำนี่ไว้ไม่ได้ทําบาปไว้ก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในบายอันนี้เรื่องของกรรมจะเชื่อไม่เชื่อก็ลองทําดูออ ถ้าเราไม่ทําบาปแล้วเราทำบุญน้อยล่ะคะทำบุญน้อยก็ไปสวรรค์ชั้นต่ำไงเป็นอทานเยอะนะทานทานเยอะก็ไปสูงไงถ้าทําทานกับบุญก็อันเดียวกันะอเหมือนกันเหมือนกันทําบุญทำทานไปสร้างวัตถุอ๋อได้ท่างชีวิตปล่อยวัวไปควายก็ได้ปล่อยปลาปล่อยนกเดี๋ยช่วยเดี๋ยคนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนไงเป็นบุญเหมือนกันเป็นบุญเหมือนกันอ สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์คือมันเป็นเงินที่เราเสียสละไปเหมือนกันส่ว น, น, นอาอา ไ, ได้ไม่เป็นไรขอให้เราเสียสละเงินทองของเราไปเท่านั้นเป็นบุญทั้งนั้นจะไปทําในรูปแบบไหนไม่สําคัญสําคัญที่จํานวนที่เราเสียสละไปะเสียมากก็ได้มากเสียน้อยก็ได้น้อยอ <c oughs> ได้ถ้าถ้าให้โดยที่ไม่มีไม่มีผลตอบแทนถ้าให้ใครเข้ามาร้องให้เรานี่ก็ไม่ได้แล้วพ่อไปจ้างเขาต้องให้สีซีไม่ใช่ไปให้เขาแล้วบอกเธอต้องมาร้องเพลงให้ฉันฟังนี้าาานไม่มนนไม่มันเป็นการซื้อขายมันเป็นการซื้อขายไงใช่ ถ้าเราเอาเงินไปที่เซเว่นไปซื้อเอาเงนให้เขาเข้าให้ของของขวัญของเอามามันมันมีการแลกเปลี่ยนกันมันไม่ได้มีการเสียสละมันไม่ได้เสียสละมันไม่เป็นบุญถ้าเป็นบุญนี่ถ้าเราชอบดังร้องก็ให้เขาไปแต่บอกไม่ต้องมาร้องให้เราฟังให้เขาไปโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรนี่ถ้าไปให้เขาแล้วเขาต้องตอบแทนเราอย่างนี้ท่านะ อย่างนี้เป็นการซื้อขายาแลกเปลี่ยน เ, า ไ, เาไปไปไปนกันนักล้อเไม่มานีไปอยู่นเาได้ความสุขหมนใจแป๊บเดียวเขาบอกว่าารตาบอกว่าถ้าไปดกคืออาใจต้มตนนี่ใจก็คือธรรมะสาถ้าทาอะไรแล้วได้ผล ต, ตอบแทนจากผู้รับนี่ไม่เรีย ก, กว่าเป็นทาบุญเป็นเยกการแลกเปลี่ยน เป็นการซื้อขายแต่ถ้าทำโดยที่ไม่ได้ได้ตอบแทนจากผู้รับเนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นการทำบุญเช่น ช, ช่วยเหลือเขาคนไทยเราจึงในสมัยก่อนนะถ้าพี่จำได้เวลาใครเขาช่วยเหลือใครนี่เขาไม่ต้องการคำขอบคุณนะเขาไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีธรรมเนียมที่จะต้องบอกขอบคุณกันแต่มีแต่สาธุกันสาธุอนุโมทนาที่ได้ทาบุญ แต่สมัยนี้เราเกรงใจกันใครทําอะไรแล้วแล้วอย่างน้อยเราต้องบอกขอบคุณค่าเดี๋ยวกลัวก็จะหาว่าเราไม่เห็นบุญคุณแต่ความจริงเราไม่ต้อง เ, รอเพราะาเราเป็นเหมือนเหมือนพระเนี่ยเวลาพระยอมส่บาตราก็บอกขอบคุณโย่แต่เดี๋วนี้เราเป็นแล้วนะเดี๋ยวนี้ที่ให้พรนี่ก็เหมือนกับขอบคุณแล้วล่ะใครให้สาบาตร์ตต้องให้พรนี่เหมือนกับว่าเป็นการขอบคุณแล้วเนีย่ยทำเนียมนี่ไม่มีของพระนี่ใส่บาตรไม่มีการให้พร อันนี้มามามาอุตริคิดกันทีหลังขึ้นมาอาจจะคิดว่าต้องตอบแทนบุญคุณโยมต้องขอบคุณเขาหน่อยต้องให้พรเขาอออืควา ม, ม, มจริงไม่ต้องหรอกเพราะโยมทําบุญโยมได้บุญอยู่แล้วอต่อให้พระให้พรเท่าไหร่มันก็เป็นแค่าลมปากเท่านั้นเองมันไม่เกิดบุญไม่ได้เกิดจากการให้พรของพระบุญเกิดจากการทําบุญของญาติโยมดังนั้นพระไม่จําเป็นจะต้องให้พร <c oughs> ถ้าให้พรตายแล้วเนี่ยวันนึงเรามีคนใส่บาตรต้องสองร้อยกว่าคนนี่ยแล้วทำไมบางที่เนี่ยมีเฟซเนี่บอกว่ า, าห้ามทําบุญดิ้งเงินทําบุญดิ้งเงินคือบาตรเขาไม่รู้ไงครับอ <c oughs> ุตตริคิดไปบางที่ก็คิดว่า <c oughs> พระบางท่านบางองค์ก็เจ็บป่วยก็ต้องใช้เงิน <c oughs> ใช่แล้วว่าจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟ <c oughs> ใช่ค่ะนี้ก็ทำเพราะว่าอาหารได้ทําไม่ทันเพราะว่าเลืเฟือแล้วบางที่ของที่โยมมาถวายมันไม่สามารถที่จะเอาไปใช้จ่าย สำหรับค่าใช้จ่ายอย่างอื่นได้ก็มีเงินทองไว้สําหรับในเรื่องที่ต้องใช้เงินทองเนื่งแต่ว่าคนบอกว่าทำบุญได้เงินได้แต่ห้ามเอาเงินใส่ปากใส่ย่ามใช่ไหมคะให้ฝากลูกศิษย์ไว้คือให้ในบาตรด้กลัวว่าบาตรคือคือคือไม่แต่ต้องเงินทองไม่แต่ต้องเงินทองให้เงินฝากไว้กับลูกศิษย์แล้วเวลาต้องการก็ กว่านั้นพระในแต่พระนี้ท่านป่วยผู้ใหญ่เขาแนะนําเออมื่อก่อนเขาชอบกองเงินทำบุญทบุญคระมันจะหนักสาบก็ให้เราไม่ใจกลางหลังรก็ใส่แล้วเมืนก็เจอพระอยองค์ท่านท่านป่วยบ่อยแล้วเราก็ใส่อาหารไม่ทันอยูแล้วก็จะให้เรินประจําำเพราะว่าท่านบอกว่าท่านก็ต้องไปหาหมอเป็นระหวานอะไร แล้วก็จะเปิดสรบาตให้เราก็ใส่สบาตรเราะเราไม่ทำใส่ซองนะอะหลีกเชื้อคามมิธรบาตรเนี่ยค่ะก็บางทีมันก็ต้องปรับไปกับเหตุการณ์สิ่งแวดลอ้อมสมัยที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้นี่อาจจะมีคนคอยมาดูแลพระอย่างใกล้ชิดแต่สมัยนี้ญาติโยมไม่ค่อยมีเวลากันละม่ให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์่ะ อีกอย่างลูกูกศิษย์ก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะลูกศิษย์อย่างนี้ไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือไปทํางานกันก็เลยไม่มีลูกศิษย์พาก็เลยต้องใช้ย่ามเป็นลูกศิษย์แทนใส่ย่ามก็มีการปรับไปบ้างก็อย่างอาหารเนี่ยพักเองท่านถือว่ามีทบบาทพอฉันแล้วท่านก็พอใช่ไหมคะแต่ปัจจัยอื่นที่มันก็จําเป็นเราก็ให้ได้ เงินนี่มันเหมือนกับเหมือนกับมีดนะถ้าคนใช้มีดเป็นก็เป็นประโยชน์ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็บาดมือตัวเองได้หรือเอามาทิ่มแทงตัวเองได้เงินก็เหมือนกันถ้ารู้จักใช้เอามาใช้มันก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ได้ใช้ให้เป็นโทษก็ได้ถ้ามีเงินแล้วไปซื้อบุหรี่นไปซื้อยาเสพติดนะมันก็ไม่ดี อั น, นก็แล้วแต่คนที่รับว่ามีความฉลาดพอที่จะรู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์หรือเกิดโทษกับตนเองเข้าใจไหมไม่มีอะไรจะถามเลยถามว่าสยดีค่ะไมางทำงานสบายันนี้ง่าอันเด็ก มาต้องสิบปีลองสิบกวาปีแล้วเนี่ยตั้งแต่พ่อคุณปลกมาเลยใช่ไสิบสองปีแล้วสี่แปดนี่ห้าหกูนยะสิบสองปีเนี่ยครบละเข้าสิบสองปีเก้าปีที่สิบสามละไปถึงไหนแล้วยังเขาเจ้าบอกเจ็ดปีก็หลุดพ้นแล้วเนี่ยหลุดได้ยังยังติดเที่ยวอยู่อะ มันได้ตั๋วฟรีมันก็เลยอดไม่ได้นะทำงานสายการบินนี่มันก็เลยต้องเที่ยวตัวฟีอะไรฟรีอาทางบ้านนะั่งคำถามคำถามจากคุณสุนันทาเชษค่ะกระผมขอรบกวนสอบถาม ถึงวิธีแก้ไขให้ละกามราคะออกจากใจให้หายขาดควรต้องใช้วิธีใดแก้ครับเพราะบางวันชนะบางวันก็แพ้ใจตัวเองชนะแพ้แบบนี้จนเหนื่อยแล้วแต่ท้ายสุดก็ยังแพ้ใจให้กับกามราคะอยู่ดีครับคือการจะกาจัดการมราคะได้มันต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาถ้าพิจารณาสุภาษโดยไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีกาลังสู้มันยัง ถ้าจะให้ดีต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญายังควรจ ะ, จะเจริญสมาธิให้ได้ก่อนพอมีสมาธิแล้วสมาธิจะสนับสนุนจะให้เรามีกำลังที่จะพิจารณาสุภาพอยู่เรื่อยๆถ้าเราพิจารณาสุภาพอยู่เรื่อยๆเราก็จะดับกามอารมณ์ได้ ที่เราสู้การมรรดไม่ได้เพราะเราแทนที่จะไปพิจารณาสุภะกลับไปพิจารณาสุภะกันชอบไปคิดถึงเขาอยู่เรื่อยๆคิดแต่ตอนที่เขาหน้าดูหน้าชมอไม่ยอมนึกถึงตอนที่เขาไม่น่าดูหน้าชมเลยบางทีเขาตายไปแล้วกลายเป็นขี้เฒ่าไปแล้วก็ยังคิดถึงตอนที่เขายังอยู่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามอยู่ยงั้นเนี่ยเพราะมันไม่มีกําลังสมาธิสู้กิเลสไม่ได้ กิเลสมันชอบคิดแต่สุภาษ์มันไงไหมถ้าเราอยากจะพิจารณาสุภาษเราต้องตัดกําลังของกิเลสก่อนต้องใช้สมาธิช่วยตัดกําลังก่อนถ้าจิตสงบแล้วกิเลสมันจะไม่พระมันจะไม่ไปคิดทางสุภาษกันหรือนานๆมันจะคิดสักครั้งหนึ่งพอมันคิดปั๊บเราก็มีกําลังที่จะดึงเอสุภาษเข้ามาสู้กับมันดังนั้นต้องมีทั้งสองอย่างถึงจะได้ผล ถ้ามีแต่มีแต่อสุภาอย่างเดียวมันมีได้ไม่นานหรอกเพราะเผลอปับมันก็กลายเป็นสุภาษะขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีสมาธินี่มันสามารถจะพิจารณาอสุภได้ทั้งวันทั้งคืนเลยคิดได้ตลอดเวลาพิจารณาได้ทุกเวลาที่ต้องการ mm hmm. แต่ถ้าไม่มีสมาธิเดี๋ยวกิเลสมันก็เดินไปคิดถึงของสวยๆงามๆอย่แล้ mm hmm. พอคิดถึงสวยๆงามๆ ม, มันก็อดที่จะอยากไม่ได้ขึ้นมา งั้นขอให้เรามาฝึกสมาธิกันก่อนก่อนที่จะไปทางปัญญาถ้าไปทางปัญญาโดยข้ามสมาธิเนี่ยไปแล้วก็ล้มเหลวรับรองได้ไปแล้วไปไม่รอดพรา็จะจะไม่ได้ไปทางปัญญานานนั่นเอยไปได้ปุ๊บเหนี่ยวกิเลสก็ดึงไปทางกิเลสละครับ ถ, ถามจากคุณกำปัญหาอย่างหนึ่งของมนุษย์ปัจจุบันคือยังไม่คือยังมองไม่ออกว่าความสงบ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในธรรมมีความสุขมากกว่าทั้งโลกียะคือรูปเสียงกลิ่นรสจึงขอโอกาสกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับก็เพราะไม่เคยสัมผัสเหมือนกับคนตาบอดไงก็ไม่เห็นคุณค่าของลูกที่คนตาดีเขาเห็นกันใชแต่ถ้าเขาไปหาหมอแล้วหมอก็รักษาตาให้เห็นได้เขาจะโอ้โหโง่มานาน ดูแต่ความมืดดูแต่สีดำมาตลอดตอนนี้เห็นสีเขียวสีแดงสีขาวสีเหลืองอะไรเต็มไปหมดดูแล้วมีความสดกว่ามากกว่าตอนที่ตาบอดอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ทำใจสงบเราจะไม่รู้ว่าความสด ข, ของสมาธินี้เป็นอย่างไรรู้ได้แต่เพียงแต่ฟังเทงนั้นเองแต่อย่างที่เ็พูดอ่ะส ป, ปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนั่นต้องไป เห็นด้วยกับตาของเราหือมีพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านเปรียบเทียบเหมือนพวกปลาเนี่ยปลามันมีแต่เห็นแต่สิ่งที่อยู่ในน้ำํำมันไม่เห็นสิ่งที่อยู่เหนือน้ําว่าเป็นยังไงถ้ามันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําได้มาอยู่บนบกได้มันคงไม่อยากจะกลับไปลงปในน้ำใช่ไหมบนบกนี่มันมีอะไรดีกว่าในน้ำเยอะแยะไปะเหมือนกันอะ่ะถ้าใครได้พบกับความสุขจากควาสมสงบแล้ว ก็จะไม่อยากจะกลับไปหารูปเสียงกนนยลิ่นนดตอีกเพราะความสุขมันเหนือกว่าการหลายร้อยเท่าคบ ถ, ถามจากคุณสมศักดิ์การเดินจงกรมด้วยการเดินเร็วกับเดินช้ามีผลแตกต่างกันอย่างไรครับแล้วแต่เหตุผลของการเดินนะที่เดินเร็วบางทีพาะมันง่วงก็เลยเดินเพื่อให้มันหายง่วงถ้าเดินช้าๆมันยิ่งง่วงใหญ่ก็เลยเดินให้มันเร็วขึ้น อันนี้ก็เดินเพื่อแก้ง่วงก่อนแต่ถ้าเดินปกติแล้วก็ไม่ช้าไม่เร็วเดินเพื่อเจริญสตินี้เราก็เดินไม่ช้าไม่เร็วเดินแบบสบายสบายก็ก็สำคัญให้มีสติอยู่กับการเดินการเดินนี่ไม่สำคัญสำคัญที่สติถ้าเดินแล้วใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อย่าไปเดินให้เสียเวลาเหมือนกับไปเดินช้อปปิ้งอยู่ดีๆนั่นแหละไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าจะให้เดินให้เกิดประโยชน์ก็ต้องเดินให้มีสติถึงจะเป็นประโยชน์เพราะถ้ามีสติมันก็จะควบคุมใจให้สงบได้นั่นเองเขาถามจากคุณนาราเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าไม่ให้พระเศสการมราคะครับก็เพราะว่ามันทําใหไ้ไม่สามารถไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้นั่นเองไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะการเศสการมมันเป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นทุกข์ เวลาที่ไม่ได้เสพเข้าใจไเวลาเสพมันสุขแต่เวลาไม่ได้เสพมันทุกเวลาแฟนจากไปเวลาอยู่คนเดียวเหงาเนี่ยมันไม่มีการไม่เสพมันสุขแล้วมันทุกหรือเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายมันเสพไม่ได้มันทุกแต่ถ้าไม่เสพกามมันก็จะถ้ามีความสงบเสพความสงบได้มันดีกว่ามันมีความสุขได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องมี ไม่มีการมาให้เศษข้อที่สองบรนเดคือใครครับบวชได้ไหมครับไม่รู้เป็นกระเทยเปล่าใช่ไหมอ่าเป็นเขาเรียกกระเทยภ า, าภาษาภาษาภาคภาษาบาลีเขาเรียกบันเดอดขำถามจากคุณนภพลการทําสมาธิกดกิเลสเป็นผลให้เป็นคนเก็บกดหรือเปล่าครับเพราะเท่าที่สังเกตตนเอ ง, <c oughs> เ, องเมื่อสงบแบบช้างกระดิกหู งูแลบลิ้นมันจะเบาสบายแต่ถ้าทำความสงบไม่ได้จะรู้สึกเก็บกดครับจะทำอย่างไรต่อดีครับก็ต้องทำให้มันสงบให้ได้ช่วงที่ทำมันต่อสู้กั น, นระหว่างกิเลส ก, กับสตินี่สติก็พยายามที่จะทำให้จิตสงบกิเลสมันก็พยายามที่จะดึงจิตให้ไปคิดเนี่ยมันก็เลยการการต่อสู้กันมันก็รู้สึกเก็บกดรู้สึกเครียดแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ก็หายเครียด ถ้าเรายอมแพ้กิเลสไปดื่มกาแฟปั๊บก็หายเครียดแต่ถ้าเราชนะกิเลสใจสงบมันก็หายเครียดเหมือนกันได้ความสุขต่างกันความสุขที่จะเกิดจากการชนะกิเลสที่มันจะทำให้เราไม่ต่อไปไม่เครียดต่อไปเรานั่งสมาธิมันจะไม่เครียดเพราะกิเลสมันจะสู้เราไม่ได้แต่ถ้าเราแพ้มันนี่คราวหน้าเรามานั่งใหม่ก็เครียดอีกงั้นเราเอาชนะมันดีกว่ายอมเครียดไปจนกระทั่งชนะมัน พอชนะมันโหนเดียแล้วต่อไปเราจะชนะมันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรายอมแพ้มันเราก็ต้องแพ้มันไปเรื่อยๆพอนั่งไปพอรู้สึกเก็บกดก็หยุดเริ่มดีกว่าไปดูลายดีกว่าไปเดิมก็แพ้ดีกว่าอมันก็แพ้มันเดี๋ยวพอกลับมานั่งใหม่ก็ก็เจอปัญหาเดิมก็ยอมแพ้มันอีกถ้าจะเอาชนะมันก็ต้องเอาลุยกันให้มันตายกันไปข้างหนึ่งเลยอยอมตายถ้ามันไม่ตายเราก็ตายเอ ถ้าอย่างนี้แล้วเราต้องชนะมันแต่ถ้าเรากลัวกลัวทุกข์กลัวความความเก็บกดที่เกิดจากการนั่งสมาธิทนไม่ไหวเราก็จะไม่มีวันที่จะชนะมันได้สอบถามจากคุณอู๋ประวัติพระประวัติพระอรหันต์บางท่านชาติที่ท่านระลึกอดีตได้ท่านเคยทําบาปทําไมบางชาติถึงทําดีบางชาติถึงทาชั่วทั้งทั้งที่เป็นดวงจิตดวงเดิม ก็แล้วแต่เหตุการ์เงยสิ่งแวดลอ้อมบางทีเราไปอยู่ในเหตุการณ์ที่มันบีบบังคับให้เราต้องทำบาปเลยเช่เนไปเกิดยากจนต้องไปลักขโมยเพื่อเอาตัวอยู่รอดอย่างนี้มันก็แล้วอยู่กับคนที่เขาสอนให้ไปขโมยอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปขโมยไปเกิดเป็นโจรเงี้ยครอบครัวเป็นโจรก็ต้องไปอยู่ก็ต้องไปทำบาป แต่บางชาติก็ไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีพ่อแม่ก็ชวนพาไปทำบุญใส่บาตรมันก็ได้ทำบุญเนี่มันก็สลับกันไปสลับกันมาแล้วแต่สิ่งแวดล้อมที่เราไปเกิดถ้าเราไปเกิดในสิ่งแวดล้อมนั้นเขาก็จะหล่อล้อมเราบางคนไปเกิดในครอบครัวที่บวชกันพ่อก็บวชแม่ก็บวชเดี๋ยวลูกก็บวชตามกันเนี่ยมันแล้วแต่สิ่งแวดล้อมที่เราไปเกิดและหรือเหตุการ บางทีเรามีเหตุการณ์ในชีวิตเราเนี่ยมีใครอยากจะทำบาปบ้างแต่บางทีมันก็ถูกบีบบังครั้งไม่ทำบางทีก็ต้องโกหกเนี่ยทั้งทงี่ไม่อยากจะโกหกด้วยสาเหตุอันในดก็แล้วแต่บางทีก็ไม่อยากที่จะโกงแต่บางทีมันก็ต้องโกงหรืออยากจะโกงเนี่ยมันเหตุการณ์มั น, ม, นมันเอือ้ออยู่ดีๆมีโอกาสที่จะได้ร้อยล้านจะเอาไม่เอาแต่ต้องโกงเนี่ยแกไหม มันก็อยู่ที่ใจด้วยว่ามีมีศีลธรรมมากน้อยเพียงไรถ้ามีศีลธรรมมากมากถ้าเป็นโสดาบันนี่ไม่เอาเลยต่อให้ได้ได้ร้อยล้านแต่ต้องโกหกหรือต้องต้องโกงนี้จะไม่เอาเด็ดขาดแต่ถ้าไม่เป็นโสดาบันนี่ยากนะถ้าได้ร้อยล้านเพียงแต่โกหกนิดหน่อยเออกไหม แต่ผมนิหน่อยได้แต่ละนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วแต่เหตุการณ์ด้วยแล้วแล้วแต่จิตสำนึกของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอ้าวมีไหมคบถามจากคุณฟามขณะที่ผมหลับตาสวดมนต์พอสวดไปสักพักผมรู้สึกสงบและตัวเบาเหมือนกำลังรออยู่ อาการนี้คืออะไรครับก็อาการสงบในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สงบเต็มร้อยเริ่มความสงบมันจะค่อยๆเพิ่มไปทีละเล็ ก, ท, ลลกทีละน้อยจากจาเปอร์เซ็นต์เป็นย0เป็นส0มเป็นสีมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆถ้ามันเต็มร้อยนี่มันก็จะหายไปหมดเลยร่างกายหายไปลูกเสียงกิ่นลดหายไปความคิดหายไปเหลือแต่สักแต่ว่ารู้อย่างเดียว เหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่ความสุขคำ ถ, ถามจากคุณลาวันค่ะการนั่งสมาธินั้นจะต้องสงบเหมือนการทุกๆวันไหมคะไม่จําเป็นแล้วแต่กําลังของสติของเราว่าเรามีมากน้อยเพียงไรถ้าสติมากก็จะสงบมากถ้าวัานไหนเผลอคิด ม, มากก็สงบน้อยหรือไม่สงบเลยคำถามจากคุณรัตวัตร กระผมอยากถามว่าเส้นทางการหลุดพ้นหรือนิพพานต้องสะสมบุญแต่ละภพแต่ละชาติหรือเปล่าครับทําไมตอนเป็นเด็กวัยรุ่นที่ผ่านมาทําบาปทําไม่ดีไว้หลายๆอย่างแล้วทําไมตอนนี้เราถึงชอบเส้นทางธรรมเจ้วพระพุทธเจ้าทําไมตอนเป็นเด็กท่านทําแต่ความดีไม่เคยทําความชั่วท่าท่านถึงหลุดพ้นเราคนธรรมดาจะหลุดพ้นในชาติเดียวได้หรือเปล่าครับถ้ามีพระพุทธศาสนาก็ได้ ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็ต้องเป็นหลายล้านชาติเพราะเราจะไม่รู้จักทางที่จะทำให้เราไปหลุดพ้นนั่นเองแต่พอมีพระพุทธศาสนาก็จะเหมือนกับมีทางมีคนพาเราไปเราไป เ, ไปเหมือนคนตามบออถ้าเราต้องคําทางไปเองนี่ถ้าเราคําจากนี้ไปพัทยาดงไม่รูก้กี่วันจะถึงแต่ถ้ามีคนตาดีขับรถพาไปเดียวเดียวก็ไปถึง พระพุทธศาสนาเป็นเหมือนคนตาดีที่มีรถพาออกไปสู่พระนิพพานพระเจ้าถึงนับรองไงว่าบางคนเจ็ดวันก็ได้เจ็ดเดือนก็ได้เจ็ดปีก็ได้แต่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้ไม่มีทางนอกจากเป็นพระโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะตัดสั้นได้ด้วยตนเองที่จะไปถึงพระนิพพานได้ด้วยตนเองดังนั้นชาตินี้ถือว่าโชคดีมาก ที่เราได้มาพบกับคนตาดีคนมีรถเพียงแต่เรียกเราขึ้นรถแค่นี้เรายังไม่ยอมขึ้นเยกลัวกันเหลือเกินบอกให้ไปนักษาศีลกันก็น ก, น ก, น ก, นกลัวแล้วบอกให้นั่งสมาธิก็เครียดแล้วบอกให้ฟังเทศฟังธรรมก็ไม่เอาแล้วบอกให้ขึ้นรถไปสบายเนี่ยแป๊บเดียวก็ถึงเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีไมเ่เอาไม่เอาก็คำทางไปก็แล้วกันคบถามจากคุณบุญญานี จะบวชอยู่อย่างไรโดยไม่ทํางานหาเงินอยู่อย่างไรแบบไม่ใช้เงินเจ้าคะ่ะก็บวชไงบวชมันก็ไม่ท่องเงินแม่ชีก็มีวัดสํานักแม่ชีที่ไม่ต้องมีเงินก็มีแต่ก็ต้องไม่ขี้เกียจ น, นะบวชนี้ไม่ใช่ขี้เกียจ น, นะไม่ใช่บวชแล้วก็ไปกินฟรีอยู่ฟรีไม่ใช่นะเป็นพระก็ยังต้องทํางานอพระก็ต้องกวาดถูสาราเช็ดล้างน้องล้างห้องน้ำห้องส้วมเอทํางานอะไรต่างๆในวัดเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าบวชแล้วก็อยู่เฉยๆต้องเดินจงกรมต้องนั่งสมาธิอันนี้เป็นงานของนักบวชถ้าทำงานทำหน้าที่ของนักบวชก็จะมีญาติโยมที่ยินดีที่จะสนับสนุนเลี้ยงดูไม่ต้องกลัวคำถามจากคุณพีโกททำงานให้วัดได้กินข้าวมื้อเช้ามื้อเพลนแค่นั้นไม่มีเงินเดือนหรือค่าเดินทางไปวัด อย่างนี้จะได้บุญไหมครับไม่เข้าใจได้บุญยังไงมากินข้าววัดไม่ได้บุญหรอกเรางานให้วัดเราทํางานให้วั ด, ออวดก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันก็ไม่ได้บุญออนอกจากว่าเราทํามากกว่า อ, อ่าผลตอบแทนเราก็จะได้ออสมมติว่าทําบุญทํางานให้วัดควรจะได้พันหนึ่แต่วัดใจ่ายให้แค่ห้าร้อยอีกห้าร้อยก็ถือว่าเป็นทําบุญไป ถามจากคุณคนภพลเบี่ยงเบนทุกคืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันเนะบี่ยงเบนทุกเพราะคงจะหนีทุกบ้างก็ทุกนั่งแล้วมันนั่งมันทุกก็เลยขยับอย่างนี้ก็เลียวเบี่ยงเบนทุกครับถามจากคุณเบนหากเรารับประทานอาหารมังสวิรัตในช่วงพรรษาเป็นเวลาสามเดือน การงดอาหารมื้อเย็นเป็นการลดกิเลสอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับและจะถือเป็นการได้บุญหรือไม่คะถ้างดถ้าลดอาหารมื้อเย็นเนี่ยเป็นการลดกิเลสแต่การถือมังสวิรัตนี่ไม่ได้ลดกิเลสเพราะถือมังสวิรัติก็กินเยอะได้กินเยอะก็เป็นกิเลสถ้ากินมากกว่าความต้องการของร่างกายมันก็เป็นกิเลสมันเป็นความโลภอันการกินนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นกินเนื้อแล้วกินมังสวิรัต ่ที่ว่ากินมากหรือกินน้อยถ้ากินพอดีกับความต้องการของร่างกายก็ไม่เป็นกิเลสถ้ากินมากกว่าความต้องการของร่างกายก็ถือว่าเป็นกิเลสเพราะมันจะเป็นอุปสรรคกินมากมากมันก็จะง่วงนอนเวลาจะนั่งสมาธิมันก็จะสับประงก Ryu. เวลาเดินยงกรมก็ไม่อยากจะเดินเพราะมันขี้เกียจอยากจะนอนฉะนั้นถ้ากินมากๆก็เรียกว่าเป็นกิเลสไม่ว่าจะกินผักหรือกินเนื้อก็เหมือนกัน การกินต้องกินพอประมาณถึงจะไม่เป็นกิเลสข้อถามจากคุณชนะตนเข้าที่เข้าใจกุลกรรมคือกรรมหนัก5ประการที่เป็นกรรมชั่วจะให้ผลก่อนแล้วกรรมหนักที่เป็นทางมกุศลที่ให้ผลก่อนมีอะไรบ้างคะใช่การเจริญสติรักษาศีลและภาวนาใช่ไหมคะอันนี้เราไม่ ไ, มได้ศึกษารายละเอียด ขอขอขอผ่านเลยไหมไปค้นใน Google ดูดีกว่าคบถามจากคุณพัชราภาเมื่อมีอาการติติเกิดขึ้นควรระงับอย่างไรเจ้าคะก็ให้สักจว่ารู้ไปพิจารณาว่ามันเป็นไตรักษณไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้เวลามันไม่เกิดอยากให้มันเกิดมันก็ไม่เกิดเวลามันเกิดแล้วอยากไปให้มันดับมันก็ไม่ดับแล้วก็ปล่อยมันไปให้รู้เฉย รู้ว่ามีปิติรู้ว่ามันดับรู้ว่ามันเกิดให้พิจารณาว่ามันเป็นตายรักษ์แล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันคำถามจากคุณพรธิดาช่วงวันหยุดหลายๆคนชวนกันไปกราบไหว้ส ก, การะพักพญานาคที่กำลังดังกันอย่างนี้ควรปฏิเสธอย่างไรและควรจะเตือนเพื่อนๆย่าตยาอย่างไรคะก็แล้วแต่ควจะเตือนเคี้ยวยังไงก็เตือนไปเลเราไม่รู้ไมงิน จะคุณปานิสาค่ะที่เรียกว่าเวรกรรมกรรมเวรในชีวิตในการคลองเรือนในการงานในครอบครัวมีวิธีตัดกรรมหรืออะไรที่พอจะให้ชีวิตโดยรวมเกิดความสุขเกิดความสามหวังได้ไหมคะคเรื่องเวร น, นี่เป็นเรื่องของการอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันเวลาใครเขาทาร้ายเราทำให้เราไม่พอใจเราก็โกรธเกลียดเขาแล้วก็อยากจะ อยากจะล้างแค้นพูดง่ายๆ <S <S 1> <S 1> อันนี้เรียกว่าจองเวรจองกรรมไม่ดีเพราะว่าพอเราไปล้างแค้นเขาทาร้ายเราเราไปทําร้ายเขาเขาก็จะกลับมาทําร้ายเราหนักขึ้นอีกพระเจาสึ่งสอนว่าควรจะระ ง, งับการจองเวกรกันจะดีกว่าเขาทําอะไรให้เราไม่พอใจทําอะไรให้เราเสียหายแล้วก็ปองไปว่าเป็นกรรมของเราแต่เราอย่าไปสร้างเวรอันใหม่ ถ้าเราไม่ไปตอบโต้เขาเดี๋ยวเขาก็หยุดเองแล้วทุกอย่างก็จะจบดีแต่ถ้าเราไปตอบโต้กันเดี๋ยวก็ต้องฆ่ากันตายฉะนั้นเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรคำถามเจ้าคุณชิาลาโรสนั่งฟังพระอาจารย์แล้วนั่งสมาธิไปด้วยพักๆเกิดความว่างแต่ยังได้ยินเสียงพระอาจารย์อยู่ แต่ฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรจุดนี้คือถึงสมาธิแล้วใช่ไหมครับใช่ในระดับหนึ่งคําถามจากคุณเดียการใช้กายะคตาสติในการสติและ<อ>สมาธิได้ไหมครับได้กายะคตาสติก็คือให้เรามีมีสติอยู่กับร่างกายเช่นร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ก็ให้เฝ้าอยู่กับการกระทําของร่างกายอย่าทําอย่างหนึ่งแล้วก็ไปคิดอีกอย่างหนึ่ง ให้ใจกับกายอยู่คู่กันกำลังแปลงฟันก็ให้ร่างกายแปลงไปใจก็แปลงไปด้วยแปลงด้วยกันทั้งสองคนไม่ใช่ละปล่อยให้ร่างกายแปลงไปแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปใส่ชุดไหนดีชุดเขียวชุดแดงดีอันนี้เรียกว่าไม่ได้มีสติตให้มีสติอยู่กับร่างกายก็ต้องทำงานควบคู่ไปพร้อมๆกับร่างกา ย, ยามันถึงไม่มีสติไง พอจะนั่งสมาธิมันก็ไปคิดแล้วให้ดูลมมันก็ไปคิดเรื่องนั้เรื่องนี้มันก็เลยไม่เคยสงบสักทีถ้าอยู่กับลมอย่างเดียวเดี๋ยวความคิดมันก็จะหยุดแล้วมันก็จะสงบหมดเลยยังครับถามจากคุณทัพทิมถ้าเรารู้ธรรมะในชาตินี้แต่ยังไม่ถึงนิพพานและถ้าเราตายไปแล้วเราจะยังกลับมารู้ธรรมะเหมือนเดิมไหมครับเพราะกลัวการเกิดใหม่มากไม่อยากกลับมาเกิด แล้วถ้ารู้จากการปฏิบัติก็จะจําได้ถ้ารู้จากการท่องจํานี่มันก็จะลืมรู้จากการปฏิบัติมันก็จะติดไปกับใจของเราเช่นถ้าเราปฏิบัติทําบุญทําทานเยอะเรื่อยมันก็จะติดไปเป็นนิสยัยรักษาศีลไปมันก็จะติดเป็นนิสยัยยั่งสมาธิไปมันก็จะติดเป็นนิสัยไปมีอีกไหมอ๋ออีกหนึ่งแล้วครับหมดแรงแล้ว ต้ถามจากคุณคนพลเข้าใจว่าการที่เราอกหักเครียดงานแล้วไปดับทุกข์ด้วยการดื่มสุราเป็นการเบี่ยงเบนทุกข์แต่ถ้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นการยอมรับความจริงให้อยู่กับทุกข์คิดอย่างนี้ผิดไหมครับไม่ผิดวะถูกก็แบบคือเราต้องไปหาสาเหตุของทุกข์ว่ามันเกิดจากอะไรถ้าไปวัดเราก็จะได้รู้ว่าสาเหตุของความทุกข์เราก็เกิดจากความอยากของเราเอง พออยากแล้วไม่ได้ก็ผิดหวังก็เสียใจแล้วเราต้องมาแก้ที่ความอยากตัดความอยากทิ้งไปแล้วมันก็จะหายผิดหวังมันก็จะหายเสียใจเอาลนะ้วนะอันนี้ที่ว่าพอสมควรแต่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งยิ่งขึ้นไปท่า